อในวันนี้ก็จะศึกษาว่าลักษณะของศรัทธาในพระผู้มีภาคเจ้านั้นเป็นอย่างไรทีนี้ก็คือว่าการศึกษาตรงเนี้เฉพาะที่เราศึกษาในเรื่องของพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระผู้มีภาคเจ้าจ้ะทีนี้การศึกษาคุณของพระบรมศาสดานั้นนะนะประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะตั้งสัตทินรียตั้งสตินรีย ตั้งวริยินทรีย์สมาตินทรียแล้วก็ปัญญินทรีย์ในพระผู้มีพระเจ้าได้อย่างไรฉะนั้นในคําสอนตรงนี้ท่านก็เลยมาสรุปว่าตอนที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีก็ต้องมาดูความหมายในความหมายเนี่ยถ้า พ, พูดถึงตัวสภาวธรรมพ้พูดถึงในเรื่องของตัวสภาวธรรมเนี่ยเขาจะพูดถึงในเรื่องของลัคนาที่จะถูกกะคือคําว่าลัคณาที่จะถูกกะเนี่ยก็คือว่าลักษณะเนี่ย ของตัวสภาวธรรมที่เราจะเป็นเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะได้ไปเจาะไปเจาะดูลักษณะของธรรมะต่างๆเช่นลักษณะของศรัทธาเป็นอย่างไรลักษณะของสติเป็นอย่างไรลักษณะของสมาธิของวิริยะของปัญญาเนี่ยฉะนั้นการไปดูลักษณะของเขาจึงมีความจำเป็นมากลักษณะนั้นท่านจัดเป็นสอ ง, ส, องสถานะ คือสภาวะลักษณะกับสามัญญลักษณะในสภาวะลักษณะนั้นเขาเรียกว่าเออในสามัญญลักษณะนั้นซึ่งเราเข้าใจกันหรือได้ยินได้ฟังกันมามากก็คือในเรื่องของอ น, นิจจลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกคลักษณะคือลักษณะที่ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับที่ท่านเรียกว่าไม่สามารถที่จะทนต่อภาวะที่ถูกบีบบีบคั้นเนืองๆอยู่เสมอเสมอไม่ได้ ส่วนอนัตตลักษณะก็คือลักษณะที่ไม่สามารถบังคับได้เนี่ยลักษณะทั้งสามประการนี้เกี่ยวข้องทั่วไปกับสังขารธรรมทั้งหมดเลยคําว่าสังขารธรรมทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงพันิพาลด้วยแต่พันิพานนั้นน่ะได้ลักษณะหนึ่งคืออนัตตลักษณะแต่ถ้าหากกลุ่มในเรื่องของสังขารธรรมรูปนามขันห้าใช่ไหมหรือตาหูจมูกเล่นกายใจของสัตว์ที่เป็นไปในสังสารวัตรแล้วเนี่ยเนะี่ย สังขารธรรมเหล่านั้นเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องทั่วไปกับสังขารธรรมทั้งหมดฉะนั้นสามัญลักษณะเนี่ยเวลาตอนเจริญวิปัสนาผู้ปฏิบัติเนี่ยในขณะที่ไปกําหนดให้รู้เห็นด้วยตนเองด้วยสัมมาทิฏฐิญาณนะฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิญาณนะก็คือปัญญาที่เข้าไปแทงทะลุทะลวงใช่ไหมไปแทงทะลุทะลวงที่ไปเห็นตามความเป็นจริงของสัมมาทิฏฐิญาณนะคือปัญญาที่เห็นถูกต้อง อันนั้นเกี่ยวข้องกับการเจริญวิปัสสนาญาณเท่านั้นฉะนั้นเมื่อการเกี่ยวข้องกับการเจริญวิปัสสนาญาณเท่านั้นน่ยตัวสัมมาทิฏฐิญาณะเนี่ยจึงเป็นตัวที่แทงตลอดสภาวะลักษณะเมื่อแทงตลอดสภาวะลักษณะแล้วเนี่ยนะถ้าเราดูจากคําสอนที่ท่านพูดถึงในเรื่องของปัญญาเข้าไว้แล้วเนี่ยสภาพธรรมที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะและก็รู้แจ้งสามัญลักษณะตามความเป็นจริงของปรมัตถธรรมขั้นคําว่าญาณะที่เป็นชื่อของปัญญาเนี่ย ที่บอกว่ารู้แจ้งอารมณ์ของปรมัตถธรรมเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปเจาะทะลุทะลวงถึงสาภาวะของปรมัตถธรรมด้วยยานกล่าวคือปัญญาเป็นต้นได้เพราะโดยมากก็ไปติดแค่สัตว์บุคคลสัตว์ติดอยู่ที่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นต้นเหล่านี้ยทั้งๆที่เราเห็นรูปารมณ์นียแต่สภาพของรูปารมณ์นั้นเราเจาะลักษณะของรูปารมณ์เป็นต้นไม่ได้ว่ารูปารมณ์นั้นมีลักษณะ อย่างไรหรือเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นเหตุผลก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างรูปารมณ์เนี่ยสภาพวัสภาวะธรรมที่จะต้องกระทบกับตาหรือกระทบกับจกักรุป萨ศเนี่ยว่าจริงๆก็คือเป็นสภาพของสีเนี่ยนะถ้าสภาพที่อุปการะด้วยนะนอกจากกระทบจากจากักรุป萨ศแล้วจิตของรูปารมณ์เนี่ยนะกิจรัศาส์ของเขาก็คือว่าสภาพที่อุปการะต่อจักรคุ ญ, ญาญ ก็แปลว่าสามารถทำให้วิญญาณที่อาศัยตาเกิดขึ้นหรือจิตที่อาศัยตาเกิดขึ้นนะั้นนะสามารถที่จะรับอารมณ์ได้เขาบอกที่จริงเนี่ยตัวของรูปารมณ์หรือสีเนี่ยถ้าตามศัพ์ธรรมะเขาเรียกว่าอา ร, รมณ์ปัจจัยสติเพราะแปลว่าความสามารถความสามารถของรูปารมณ์ที่สามารถที่จะเป็นเหตุเป็นเห ต, เเหตุเป็นเหตุด้วยฐานะที่เป็นปัจจัย เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เขาสามารถเป็นเหตุได้เขาสามารถเป็นปัจจัยได้นั่นคือความสามารถของเขาความสามารถตรงนั้นเขาเรียกว่ากิจจารสักคือหน้าที่ของรูปารม์หน้าที่ของสีสีนั้นก็มีความสามารถในการที่จะเป็นเหตุฉะนั้นรูปารมณ์มีความสามารถในฐานะที่จะเป็นเหตุรูปารมณ์มีความสามารถในฐานะที่จะเป็นปัจจัยกรณีที่เขาไปรู้เหตุไปรู้ปัจจัยตรงเนี้ย เขาเรียกว่าปัญญาที่เข้าไปรู้ธรรมะเขาเรียกว่ารู้เหตุปัญญาที่เขาไปรู้สภาวะธรรมหรือธรรมะตัวนี้เขาเรียกว่ารู้เหตุประการต่อมาก็คือว่าทีนี้เหตุบางอย่างสมบูรณ์เหตุบางอย่างไม่สมบูรณ์การที่เขาทําเหตุให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปติรสหรือสัมปติรัตสะ ไอตัวสัมปติรสาหรือตัวสฤฤฤฤฤัมปติรสคือสภาพธรรมที่สมบูรณ์ที่ความสมบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ด้วยอะไรด้วยอารมณะปัจจยสติสมบูรณ์ด้วยความสามารถเขาสมบูรณ์ด้วยความสามารถคือคุณอันเป็นความสามารถในฐานะที่เป็นเหตุในฐานะที่เป็นปัจจยัยก็คือการเป็นอารมณ์ได้สมบูรณ์แล้ว ลักษณะอย่างนี้ก็คือมุ่งเน้นไปตัวเหตุมุ่งเน้นไปตัวปัจจัยมุ่งเน้นไปตัวรูปารมณ์ดืนต้นเหล่านี้ฉะนั้นยานปัญญาที่สามารถจะไปเจาะหรือไปทำความเข้าใจหรือจะไปแทงตลอดเหตุปัจจัยกาวคือไปเห็นสภาพของสีและรูปารมณ์ว่าเป็นทั้งกิจจาสสะคือในฐานะที่เป็นอารัมณะปัจจยสติในฐานะที่เป็นเหตุ และเป็นอารมณะปจิยะสติในฐานะที่เป็นเหตุที่สมบูรณ์แล้วโดยฐานะที่เป็นเหตุที่สามารถแยกแยะได้ทั้งกิจลักษณะทั้งสัมปติลักษณะก็คือว่าเห็นทั้งโดยฐานะที่เขาเป็นเหตุเห็นทั้งโดยฐานะที่เหตุนั้นเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วลักษณะอย่างนี้เ้าเรียกปัญญาที่ไปเจาะปฏิเวทญาณนะคือญาณที่สามารถไปเจาะทะลุทะลวงตัวเหตุ ตัวปัจจัยได้เนี่ยนะคือรู้ว่านี่ไงตัวเหตุนี่ไงคือตัวปัจจัยที่จะสามารถเข้าถึงความสมบูรณ์ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าผลปรากฏของรูปรารมณ์ก็คือสัมอุปทานะก็คือสภาพที่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณไสภาพที่เป็นอารมณ์ของวิญญาณที่อาศัยตาเกิดเป็นต้นได้อันนั้นก็เรียกว่าผลปรากฏแล้ว โดยฐานะที่เขาอยู่ในความพร้อมที่จักสภาพที่เป็นอรมณนะหรือเป็นอารมณ์แก่วิญญาณที่อาศัยตาเกิดอันนี้เขาเรียกว่าผลปรากฏของรูปารมณ์ฉะนั้นปัญญาที่ไปเจาะไปทะลุหรือว่าไปเข้าใจสภาพของลักษณะว่าสีเนี่ยกระทบกับจกักขุปาดเกิอทบกับตากิจของสี หน้าที่ของสีการงานของสีหรือที่เรียกว่ารูปารมณ์ต่างๆนั้นก็คือการที่เขาสามารถที่จะเป็นเหตุมีความสามารถในการฐานะที่จะเป็นเหตุอันนั้นเขาเรียกกิจระสะถ้าความสมบูรณ์แห่งเหตุเขาเรียกสัมปติรสก็คือว่าเหตุนั้นรูปารมณ์นั้นเข้าถึงความมีคุณสมบัติเข้าถึงความสมบูรณ์และโดยฐานะที่เป็น เหตุหรือเป็นมีความสามารถเข้าถึงความสมบูรณ์ในฐานะที่จะเป็นปัจจัยได้เนี่ ย, ย, ยอันนี้ความสมบูรณ์เขาสมบูรณ์แบบแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าคุณสมบัติของเหตุประการต่อมาก็คือผลปรากฏเนี่ยเขาเรียกสภาพธรรมที่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณแปลว่าจักขุวิญญาณเนี่ยนะบอกอ๋อนี้เองจักขุวิญญาณที่อาศัยตาเกิดนั้นไม่สามารถไปรู้ เสียงได้ไม่สามารถไปรู้กลิ่นได้ไม่สามารถไปรู้รสได้ไม่สามารถไปรู้สัมผัสเป็นต้นได้แต่จากขูวิญญาณที่อาศัยตาเกิดนั้นรู้ได้อย่างเดียวเท่านั้นคือสีคือรูปารมณ์ที่เ็าเรียกกันเพราะฉะนั้นปัญญาที่ไปเข้าใจลักษณะเฉพาะลักษณะเขาเรียกสภาวะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ปัจจัตะลักษณะ ฉะนั้นในลักษณะที่ว่าคำว่าลักษณะเนี่ยหนึ่งเจาะสภาวะลักษณะใช่ประการต่อมาก็คือว่าประทัดฐานนะประทัดฐานมีสองส่วนประทัดฐานในส่วนของเหตุใกล้กับประทัดฐานในฐานะเป็นเหตุไกลเช่นรูปารมที่เราท่านทั้งหลายเห็นหรือหรือเราทั้งหลายเห็นกันเนี่ยรูปารมเนี้อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมเนี่ยประชุมกันเกิดขึ้น ถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่รูปารลมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยฉะนั้นแต่ว่าสภาพของดินน้ำไฟลมที่ก่อตัวรวมตัวกันเป็นอะไรเราก็เรียกรูปารลมอันนั้นเป็นไปตามสภาพนั้นๆถ้าหากดินน้ำไฟลมประชุมกันใหญ่โต vídeos, มากเป็น liyor, ลักษณะอย่างนี้เราก็เรียกว่ากุฏิเนี่ยนะหรือรูปารลมประชุมกันเป็นในลักษณะอย่างนี้มากๆเนี่ยเราเรียกว่าหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะหรือรูปารลมหรือดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเบ็ดเสร็จปุ๊บ และสภาพของรูปารลมก็กว้างขวางไปตามสภาพนั้นๆแล้วก็เรียกรถบ้างเรียกสัตว์เรียกบุคคลก็เรียกไปตามลําดับแท้ที่จริงก็คือสภาพของดินน้ําไฟลมที่ก่อตัวกันมันก็แยกเป็นสองส่วนส่วนที่มีชีวิตและส่วนไม่มีชีวิตหรือที่เรียกว่ามีวิญญาณคลองหรือไม่มีวิญญาณคลองฉะนั้นเหตุใกล้ของเขาก็คือดินน้ําไฟลมถ้าไม่มีดินน้ําไฟลมเสร็จแล้วเนี่ยรูปารลมนั้นเขาเป็นอุปาถยะรูปคือเป็นรูปที่อาศัยรูปใหญ่อาศัยมหาพูท เนสัตวทั้งหลายก็มีวิปริตมนุษยการกันอย่างนี้เพราะโทษของการที่ไม่มียานคือสมาธิฏิยานะคือปัญญาที่เขาไปรู้ลักษณะไปรู้ลักษะไปรู้กิจนีลักษณะลักษะปัจจุบันฐานแล้วก็ปัจจันฐา น, านคือไม่สามารถรู้สภาวะลักษณะของสภาวะธรรมเหล่านั้นเป็นต้นได้ที่พระบรมศ า, ศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นน่ะพญามีลินก็ถามพระน่าเกษณ บอกว่าพระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยทําให้เราเห็นอะไรได้ท่านพญาท่านพระาา น, ระนาคเษนก็ถวายพระพรแก่พญาพญามิรินบอกว่าขอถวายพระพรบอกว่าพระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือสามารถแยกสภาวะธรรมได้ปกติสัตว์ทั้งหลายแยกไม่ได้หรอกเช่นผัสสะธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เนี่ยสัญญาธรรมชาติที่จําอารมณ์ใช่ไหม หรือเจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักนำสมัยยุทธรรมอย่างเงี้เอกกาตาธรรมชาติที่สงบแล้วก็ตั้งมั่นในรมเดียวมนสิการธรรมชาติมุ่งหรือวิตกธรรมชาติที่ยกสมัยยุทธรรมขึ้นสู่ลมก็คิดเนี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาสามารถแยกสภาวะลักษณะของสภาวะธรรมเหล่านี้ได้นี่ไงคือการอุบัติเกิดขึ้นของพระเจ้ามีประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายคลายจากความหลงได้เพราะสัตว์ทั้งหลายโดยมากก็ไม่สามารถที่จะแยกได้ด้วยตนเอง เมื่อมาฟังพระบรมศาสดาแล้วพระาศาสดาก็แยกให้เห็นอันนี้เขียนให้เห็นลักษณะที่ต่างกันของสภาวธรรมแต่ละอย่างหรือรูปแต่ละอย่างพระองค์ก็แยกให้เห็นหมดเลยแล้วอันนี้อย่างหนึ่งแต่เมื่อแยกให้เห็นเป็นไปตามลําดับแล้วพระองค์ก็มาสรุปว่าสังขารธรรมเหล่านี้ไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรไม่ใช่อยู่ๆแล้วเนี่ยมาเข้าใจอนันนี้จังทุกขังอนัตตาโดยไม่เข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วศาสตร์เหล่านั้นจะตัดสู้ได้ ทีนี้ดังได้เคยศึกษากันมาบอกว่ายกเว้นแต่บุคคลที่สั่งสมบารมีมามากฉะนั้นบุคคลที่สั่งสมบารมีมาม า, มากว่าท่านเหล่านั้นสั่งสมอธัธยาศัยไว้เยอะสั่งสมอธัธยาสัยไว้เยอะก็คือว่าสังเกตดูที่ว่าบุคคลที่เขาสั่งสมอธัธยาศัยได้เยอะที่เขามีทั้งอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณนะธรรมปฏิสัมพิทาอัฏฐะธรรมนิโรตติเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ยเพราะเขามีอะไร เพราะเขามีเหตุฉะนั้นคําว่าปุบพระปโยคะนี่เนี่ยก็คือการเคยกำหนดศาสตร์ที่เขาเคยสร้างเหตุปัจจัยเกี่ยวในเรื่องของปุบพระปโยคะคือเคยเคยศึกษาพระธรรมมาอย่างลึกซึ้งด้วยแล้วก็เคยเจริญกรรมฐานมาในพระเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยท่านถึงบอกว่าปุบพระปโยคะนี่สําคัญมากในคําสอนท่านถึงพูดถึงว่าเหตุห้าประการเนี่ยปริยัติ คือการศึกษาการท่องจำการทรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระไตรปิฎกอัตถกถาสาวรรคก็คือฟังอัตถกะถาอันเป็นอัตถะก็คือการฟังพระธรรมฟังพระบาลีฟังอัตถกถาฟังพระบาลีอักของพระบาลีนั้นปริยติธรรมเหล่านั้ น, น, นเขาเรียกสวรรสิ่งที่สาคัญที่สุดเขาเรียกปริปุจฉาการสอบถามบทยาก การอธิบายเนื้อความที่ยากถ้าในชั้นของดีกาที่มาแปลเป็นภาษาไทยไอ้ข้อยากหรือบทยากตรงเนี้ยเขาแปลว่าคันถีบทบทที่มีข้อขอดมันแกะยากสำหรับบุคคลที่ไม่มีปัญญาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงเนี่ยอ่านแล้วมันติดสิ่งต่างๆเหล่านี้ปริปุชฉาคือการถามท่านผู้ทรงแกกคำสอนเนี่ยถามพระพุทธเจ้าเนี่ยสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะท่านผู้แตกฉานในคาสอนต่างๆ อย่นี้ก็เรียกว่าข้อความที่ยากในพระบาลีข้อความที่ยากในอัตถกถาในดีกาทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยเหตุสมอย่างนี้เป็นเหตุสําคัญมากแห่งการได้บรรลุธรรมและได้ปฏิสัมพิทายาณพร้อมกับการได้บรรลุมรรคผลนั้นคนที่ก็มีปริยัตบริบูรณ์มีสวรรบริบูรณ์จะมีการศึกษาบริบูรณ์มีการฟังที่บริบูรณ์มีปริปุจฉาการไต่ถามอัดบท บทที่ยากข้อความที่ยากอธิบายข้อความที่ยากข้อความที่ยากในพระบาลีในพระธรรมาเป็นต้นเหล่านี้เหตุ s <ans> <S ทั้งสเหล่านี้สําคัญมากแก่การที่จะได้บรรลุสองส่วนบรรลุมรรคผลกับบรรลุปฏิสัมพิทายานทีนี้ไม่ใช่เหตุสําคัญมากต่อการได้อริยมรรคหรือย่ผลอย่างเดียวเท่านั้นนะนะปุพพะประโยคก็คือการเคยจเจริญอีกอย่างหนึ่งก็คือเคยจเจริญสมถาวิปัสสนา จนถึงสังขารลบเบกขายานมาแล้วในพระเจ้าองค์ก่อ น, อ, นอันนี้ก็สำคัญมากถ้าเราดูอย่างปุพหะประโยคนี่นะคือเคยเจริญวิปัสนาญาณมาเนี่ยแต่มันยังไม่ถึงขนาดได้แทงตลอดสัจจาตปุพหะประโยคนี่ให้สังเกตดูว่าในศาสนาของพระผู้มีภาคเจ้าของเราในปัจจุบันเนี่ยนะเราจะเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ พระสารีบุตรพระโมคคารนะท่านพระพายยะทารุจริยะทั้งหลายเหล่าเนี้ยกลุ่มงบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่ท่านมาฟังได้นิดหน่อยและแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนั่นแหละท่านเคยเดินวิปัสสนาญาณมาอย่างช่ำชองอย่างเช่นท่านพระพายยะทารุจริยะเนี่ยท่านเดินไม่ทันท่านตายก่อนแต่ท่านได้วันญายนิสูงๆแล้วอย่างเงี้ยนี่คือเรกผูกพระประโยชน์ครับของท่านฉะนั้นมาปัจจุบันเนี่ยได้อัตยาสัยที่ท่านไม่ทิ้งกรรมฐานเป็นอัตยาศัยเลยอันเนี้เวลาเจอพระอาจารย์องค์ต่อไปท่านก็ไม่ลําบากเลย ไอ้ตรงนี้นี่แหละทําไมเราต้องเพียรพยายามในการที่ทั้งฟังทั้งไข้ควรวนทั้งนําไปปฏิบัติถ้าได้ตัดสรุปก็เป็นบุญถ้าไม่ได้ตัดสรุปก็ทําเป็นบุพเพปโยคะใช่ไหมฉะนั้นสรุปก็คือว่าการศึกษาการท่องจําการทรงการสาธยายสําคัญการฟังอัดข้อความที่ยากคือการฟังอัดของอัตตราถาอัดของพระบาลีทั้งหลายปริพุชากับการ สอบถามบทที่ยากหรือข้อขอดต่างๆในคําสอนเนี่ยในในสาประการเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเราท่านทั้งหลายใช่ไหมเพราะว่าอย่างนี้ถือว่าเราเรามาสร้างเหตุปัจจัยทีนี้การสร้างเหตุปัจจัยในเวลาที่เหลือก็ต้องคํานวณเวลาที่เหลือเนี่ยต้องคํานวณให้ดีว่าการสร้างเหตุปัจจัยของเราท่านทั้งหลายว่าการกําหนดให้รู้เห็นด้วยตนเองด้วยสัมมาทิฏฐิญาณ น, นะปัญญาที่รู้เห็นอย่างถูกต้อง ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญวิปั ส, สนาเท่านั้นนะ ล, ลักษณะที่เกี่ยวกับสามั ญ, ญลักษณะเหมือนอย่างนี้เหมือนคําที่เคยกล่าวไปบอกว่ารูปปัณละขณะคือความเกิดของรูปสันตติที่เราจะเห็นความเกิดของรูปนี่นะก็เพราะอาศัยสันตติของรูปคือการสืบต่อของรูปธรรมทั้งหลายทีนี้ลําดับการเกิดต่อเนื่องของรูปธรรมทั้งหมดที่เกิดก่อนเขาเรียกว่ารูปสันติเนี่ย นั้นลำดับการเกิดต่อเนื่องของรูปธรรมทั้งหมดที vard, ide? of of ่เกิดหลังๆเห็นไหมว่าการเกิดของรูปธรรมก่อนๆการเกิดของรูปธรรมที่หลังๆที่มีการเกิดสืบเนื่องติดต่อกันมาเนี่ยนะทีนี้รูปธรรมต่างๆที่มันเกิดดับสืบต่อกันทั้งรูปที่เกิดก่อนและรูปที่เกิดหลังทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้นะก็มีเหตุที่ตรงกันข้ามกับรูปธรรมเหล่านั้นก็คือว่าเขาเรียกวิโลธ พิปั จ, จหรือปั จ, จัยที่เป็นปฏิปักษ์คือเย็นและร้อนเป็นต้นน่ยชื่อว่าสามัญลักษณะฉะนั้นการที่เราจะเห็นสามัญลักษณะของรูปธรรมทั้งหลายได้ก็ต้องอาศัยจากสันตติของรูปทั้งหลายที่มีการเกิดสืบเนื่องติดต่อกันของรูปธรรมที่เกิดก่อนและรูปธรรมที่เกิดหลังนี่แหละที่มันมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนี่แหละลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าลักษณะของรูปธรรม รูปธรรม ท, ทั้งหลายที่มันมีการสลายไปเพราะเย็นบ้างเพราะร้อนบ้างเพราะปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรูปธรรมอีกเยอะแยะเนี่ย น, นะที่จะสามารถทําให้รูปนั้นมีการเสื่อมสลายหรือมีการสิ้นไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่มันเปลี่ยนแปลงไปมันยังไม่ดับในภพนี้คําว่ายังไม่ดับก็คือยังไม่ตายแต่จริงๆแล้วมันมีการแตกดับอยู่ตลอดเวลาของมันฉะนั้นรูปธรรม ท, ทั้งหลายที่มีการแตกดับอยู่ตลอดเวลาและมีการสืบต่อใช่ไหมระหว่างรูปที่เกิดก่อนกับรูปที่เกิดหลังเนี่ย แปลว่าก่อนที่รูปที่เกิดหลังจะหมดไปเอจะจะจะหมดไปทีเดียวเนี่ยรูปที่เกิดเอ i, รูปที่ก่อนรูปเกิดก่อนจะหมดไปทีเดียวรูปที่เกิดหลังก็ซ้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจใช่ไหมอันนี้พูดหมายถึงกระาบคนละกรลาบเช่นกรลาบนี้ดับไปใช่ไหมกรลาบนี้เสื่อมไปกรลาบนี้ปรากดขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนจะซ้อนขึ้นมาอย่างนั้นเน่ยกรลาบนี้ดับไปกรลาบใหม่ก็ซ้อนขึ้นมา ถามเราลองคิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามันซ้อนหรือไม่ซ้อนเนี่ยนะลักษณะที่บอกว่าเรานั่งอยู่เนี่ยรูปธปรรม ท, ทั้งหลายมันก็แตกดับหมดแล้วใช่ไหมมันก็แตกดับในขณะที่นั่งนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าเราแค่เคลื่อนไปอีกจุดหนึ่งมันคนละเรื่องกันเลยผมก็ไม่ใช่อันเดิมขนก็ไม่ใช่อันเดิมอย่างนี้สมมติถ้าเราจะเห็นอย่างนี้หยาบหยาบก่อนเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าสภาพของรูปธรรมเนี่ยมันแตกดับรวดเร็วมาก แต่สายตาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อไรเราจะเห็นอย่างนั้นนะกรณีที่เราไม่สามารถจะเห็นได้เพราะยานปัญญาเราไม่ถึงขนาดสัพพยุตยานไงแต่ถ้าสัพพยุตยานเนี่ยจะเห็นทั้งล่วงไปฟื้เกิดใหม่ฟุบอย่างนั้นเลยใช่ไหมเหมือนกร ะ, ะแสะไฟเงี้ยกระแสะไฟที่มันมาม า, ม า, ม, ามาก่อนแตกดับไปก่อนมาใหม่ก็มาซ้อนอยู่แล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเป็นอันเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย กระแสของรูปธรรมทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแตกดับไปหมดแต่สภาพของรูปธรรมใหม่ๆก็ตามมาที่หลังก็มาซ้อนกันเป็นไปตามลําดับอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่ารูปธรรมที่เกิดก่อนกับรูปธรรมที่เกิดหลังเป็นไปตามลําดับอย่างนี้แต่เราท่านทั้งหลายไม่เคยเข้าใจสภาวะนี้เลยแล้วก็นึกว่าเป็นเราคนนั้นนะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยความคิดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสันตติคณะไม่เคยกระจายได้สักทีเลย ไม่ว่าจะรูปที่เป็นไปในยาบทยืนยาบทเดินยาบทนั่งยาบทนอนในการก้าวไปถอยกลับในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าเหยียดออกใช่ในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มในการทรงผ้าสังคติบาทหรือจีวรหรือในขณะที่เรานุ่งห่มภาชนะใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง เราไม่เห็นสภาวะของกระลาบของรู ป, ปรธรรมทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันไปเลยไอ้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยจะต้องสามารถเจอเอาะออกมาให้ได้จนเข้าใจให้ได้ด้วยญาณสมาธิทีนะ่ญาณะถึงจะเห็นสามั ญ, ญลักษณะของของของสภาวะธรรมเหล่านั้นแต่ไม่ใช่เจาะได้ทั้งหมดเหมือนญาณปัญญาของบุรุษเจ้าแต่ต้องสามารถ เห็นสักครั้งสองครั้งไปเรื่อยๆจนชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งในญาณปัญญาของเราท่านทั้งหลายนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าไปรู้จนทุกอย่างซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่รู้สักอย่างเลยเนะี่ยแต่จะให้เข้าใจสามัญลักษณะไม่ใช่ฉะนั้นจะต้องเข้าไปเข้าใจลำดับแรกก็คือจากการสืบค้นคาสอนแล้วก็เริ่มไปวิจัยกรลาวทั้งหลายที่มันอยู่ใน ในกระแสะขันท่าต่างๆที่ท่านสอนได้รักนะว่าให้ไข้ค้นอย่างหยาบไปก่อนในมีวิสุทธิมารท่านท่านคุยแล้วก็เป็นไปอย่างละเอียดเป็นต้นไปตามลำดับนั่นเองเนี่ยมันจะได้เห็นความไม่มีสาระของสามัญลักษณะไอ้ตรงนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าสามัญลักษณะคือสภาพที่ทั่วไปกับรูปธรรม ท, ทั้งหมดจะมีรูปธรรม ท, ที่เกิดก่อนที่เกิดเนื่องสืบต่อกันมาก่อนแล้วก็รูปธรรม ท, ที่เกิด เกิดหลังเพราะเหตุที่แล้วก็มีเหตุปัจจัยที่ตรงกันข้ามก็คือเย็นร้อนนั่นแหละชื่อว่าสามัญญลักษณะเกี่ยวข้องกับรูปะธรรมทั้งหมดส่วนนมะนักษณ์ขณะคือลักษณะที่น้อมไปสู่อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนของนามะธรรมทั้งหมดถามว่านามธรรมที่เป็นไปทางจักขุทวารใช่ไหมจักรุทวารวิถีคือทางนามธรรมคือจิตเจสิกทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางทวานตาจิตเจสิกทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางวานทางทวานหู จิตและเจตสิกทั้งหลายเกิดขึ้นทางทวารจมูกจิตเจตสิกทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางทวารลิ้นจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นทางทวารกายแล้วก็จิตเจตสิกที่อาศัยทางมโนทวารเป็นไปสิ่งต่างๆเหล่านี้นามาทำเหล่านี้น้อมเข้าหาอารมณ์แล้วก็แตกดับไปตามสภาพทั้งหมดเลยแล้วจะมีการสืบต่อกันหมดเลยสันตติของนามาทำทั้งหลายทุกทวารก็จะเป็นไปแบบเนี้ยจะมีขณะที่ต่างกันแต่ละขณะ าวังาวังกจะลณาคู่ประเจทะปัญจทวานจากขุญยานสมปฏิชนะสันติรณาานาโวเปนะชาวนะก็ว่ากันไปเหอะแต่นั่นลหละก็คื อ, คอกระแสของนางมธรรมที่เกิดขึ้นสืบต่อไปมันจะไปทำกิจไหลทางทวาลไหนทุกวิถีจิตทุกขนาดจิตนั้นนะ่ะมีการน้อมเข้าสู่อารมณ์แล้วก็เข้าถึงความแตกดับไปหมดแล้วนั้นการเห็นทางตาก็ไปหมดแล้วแต่ละวัน การได้ยินทางหูอย่างเงี้ยมันไปข้างมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะอันนี้เขาเกล่าวถึงสามัญลญักษณะเออทำไมท่านเพ่งสามัญลักษณะขึ้นก่อนในคาสอนโดยทั่วๆไปเมื่อรู้สามัญลญักษณะนี้เบ็ดเสร็จก็ไปรู้อั น, นิจญลักษณะทุคลักษณะนาตลักษนณะไอ้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องยาวที่ต้องไปวิจัยกันต่อไปแต่ตรงเนี้ยท่านสืบค้นเข้าไว้สำหรับบุคคลที่มีปัญญามาก ระดับภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเวลาพร ะ, พระองค์กล่าวสามัญลักษณะโตมเนี่ยนะท่านสืบค้นไปหาปัจจาลักษณะได้เลยเพราะอัจฉริยส่งสง ม, มามากแต่ถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายในยเวลารู้สามัญลักษณะปุ๊บเนี่ยต้องไปรู้ปัจจาลักษณะทีนี้ถ้าถามบอกว่าสามัญลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับนามรูปปริเฉทญาณของผู้ปฏิบัติที่ว่าด้วยถึงตอนนามรูปปริเฉทญาณ การกำหนดให้เห็นจริงอะ่ะตามสัมมาทิฏฐิญาณนะเนี่ยจะไปชัดเจนตรงไหนเมื่อนามรูปปริเฉทญาณเกิดขึ้นในกระแสใจของสัตว์ที่ใครควรเราพิจารณาแล้วเท่านั้นถ้าอย่างนั้นมันก็หลักเลยอยกันโดยการวิจัยนี่แหละประการต่อมาก็คือสภาพอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าสภาวะลักษณะที่เราจะต้องศึกษากัน ก็คือลักษณะเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวเองตัวของเขาเองนี่นะเช่นรูปปรรมัและนามธระททั้งหลายนี่นะก็หมายความบอกว่าเช่นลักษณะของปัญญาเป็นอย่างไรกิจของปัญญาเป็นอย่างไรนแล้วก็ผลปรากฏของปัญญาเป็นอย่างไรเหตุใกล้ของปัญญาเป็นอย่างไรฉะนั้นการที่เข้าไปรู้หรือไปเข้าใจลักษณะของปัญญา ในกรณีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเข้าใจเรื่องปัญญาอันนี้นี่คือลักษณะของปัญญาเป็นต้นลักษณะเฉพาะตัวคือเครื่องจดจำเฉพาะตนไม่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมเลยเช่นสภาวะธรรมแต่ละอย่างถ้าเราต้องการรู้อย่างโอสัตทินซีมีลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยวิริยินรีสมาธินรีแล้วก็สมาทินรีปัญญินรีตรงนี้ก็ เกีย่ยวข้องเฉพาะตัวเองส่วนมากรูปและก็นามเหล่านั้นก็ชื่อว่าสภาวะลักษณะผู้ปฏิบัติถึงตอนนามรูปปริเขยทยานก็ต้องกำหนดสภาวะลักษณะเฉพาะตนของปรมัตถธรรมทีระย่างต้องกำหนดทีละย่างในนี้ไปตรงกันอยู่อย่างก็คือว่าในธรรมสังคณีในพระพิธรรมเล่มแรกในพระพิธรรมเล่มแรกเนี่ยท่านจะกล่าวในเรื่องการกาหนดภาษ กำหนดเวทนากำหนดสัญญากำหนดเจตนากำหนดจิตเข้าไว้ก่อนเป็นหลักใหญ่แล้วท่านก็ขยายบอกว่าไม่ใช่กำหนดแค่นี้ถ้านในชั้นของเวทนานุปสนาสติปัฏฐานที่เราศึกษากันมาแล้วอันนั้นก็สอนให้กำหนดรู้ภาษะเวทนาเป็นต้นแล้วก็กำหนดรู้วิญญาณว่าสภาวธรรมอย่างไรปรากฏนั้น ก, ก็จะกล่าว้โยโดยส่วนมากก็คือว่าตรงกัน ตรงกันก็ตรงที่ว่าที่สุดจริงๆก็คือเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องกำหนดลักษณะเฉพาะตัวของนามธรรมาเหล่านั้นถ้าไม่สามารถกำหนดลักษณะเฉพาะตัวของนามธรรมาเหล่านั้นได้อันนี้ยุ่งแหละเพราะเราจะไม่เข้าใจเลยว่าลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมเหล่านั้นนเป็นอย่างไรทีนี้ในชั้นคำสอนในชั้นคำสอนท่านก็กล่าวเขาไว้นะ โดยเฉพาะก็คือว่าท่านพูดถึงในเรื่องของสภาวะของปัญญาเขาไว้ท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าลักษณะลักษะปัจจุบันฐานใช่ไหมทีนี้ก่อนจะถึงตรงนี้ก็คือว่าที่พูดค้างๆเขาไว้ก็คือว่าเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของคำว่าลักษณะและสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะ ประการต่อมาก็คือพูดถึงรสคือหน้าที่รูปนามที่เป็นเหตุให้ผลของตนเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ากิจจารสักเรียกว่ารสรสนั้นก็คือกิจจรสคือหน้าที่ของปรมัตต์ตรามทั้งหลายฉะนั้นผัสาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเหล่าเนี้ยเขาจะมีกิจมีหน้าที่ของเขาอย่าพวกเราเกิดมาทุกคนมีหน้าที่หมดเลยอย่างนา ม, มาทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกระแสขันของสัตว์ก็มีหน้าที่หมดเลย จะเชื่อไหมว่าเราท่านทั้งหลายอยู่กับเขาแต่เราไม่เคยดูหน้าที่ของเขาเลยไม่เคยรู้เลยว่าเขาทาหน้าที่อะไรใช่ไหมเราก็นึกว่าแต่โอ้เนี่ยเช่นอดินน้ําไฟลมที่อยู่ในผมดินน้ําไฟลมที่ลมที่อยู่ในขนในเล็บในฟันในหนังเนยก็มีสภาพของดินน้ําไฟลมเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เคยดูหน้าที่ของเขาเลยว่าหน้าที่ขเขาเป็นยังไงคือจิตของเขาอลักษณะเขาเป็นยังไงจิตการงานของเขาเป็นยังไงผลปรากฏของสภาวะเหล่านี้เป็นยังไงเหตุใกล้ของเขาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือจุด จุดที่เราท่านทั้งหลายไม่รู้จากตัวเองเป็นอย่างนี้เขาไม่รู้จากกระแสขันของตนเองคือไม่ฉลาดในการคิดจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมเพราะอันนี้ต้องรู้ได้ด้วยปัญญาการตรัสรู้ของพระเจ้าใช่ไหมเป็นสภาวะธรรมที่ลึกถ้ารู้อย่างนี้เราคงตรัสรู้ไปแล้วอันนี้เพราะไม่รู้นี่แหละมันถึงเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงตรงนี้นี่แหละอย่างนี้คือกิตส่วนสัมปติรสก็คือความเกิดแห่งเหตุที่สมบูรณ์ คือว่าเมื่อเหตุนั้นสมบูรณ์แล้วเขาเรียกคุณสมบัติหรือเรียกว่าสัมปติรสเอาอย่างเช่นว่าเราเกิดมาเนี่ยถามบอกว่าเวลาเรากวาดบ้านเนี่ยเราทําหน้าที่กวาดบ้านสมบูรณ์หรื อ, อยังอันนั้นก็กิยรติใช่ไหมเกีจรตรสไอ้กวาดใหม่ๆยังไม่สมบูรณ์ก็คือทํากิยอยู่ใช่ไหมเมื่อกียรนั้นเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วก็เรียกว่านี่เป็นสมบัติแล้วเป็นคุณสมบัติแล้วนั่นกียรนั้นสําเร็จแล้วนี่ก็มาดูผลดิ ผลปรากฏการกว่าดแ้วโอ้โหสะอาดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแคําว่ากิจเจริญศาตร์เนี่ยขับเน้นไปตัวการการงานกําลังทํางานแล้วเมื่อการทํางานนั้นเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วเขาเรียกว่าคุณสมบัติของการทํางานนั้นส่วนคําว่าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกวความสมบูรณ์เนี่ยปรากฏในธทำบางอย่างกิจรสและก็สัมปติรสคือบางอย่างเนี่ยกิจจรสปรากฏบางอย่างสัมปติรสปรากฏบางอย่างก็ทั้งสองอย่างนเนี่ย แต่ถ้าจิตเหล่านี้ไม่ปรากฏเลยนอันนี้แปลว่าปัญญาไม่สามารถไปรู้ลักษณะของสภาวะธรรมเหล่านี้ได้งั้นยังมีการงานที่เราท่านทั้งหลายจะต้องวิจัยเยอะมหมอีกเยอะมากใช่ไหมมีการงานที่เรายังจะต้องไปวิจัยกันค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าโอ้เราสบายแล้วไม่ต้องวิจัยอะไรแล้วไม่ใช่เลยยังจะต้องเกี่ยวข้องและยังจะต้องวิจัยค่อนข้างเยอะมากนี่นี่เป็นอย่างนี้นะยังมีเรื่องที่เราจะต้องวิจัยเยอะ ตรงนี้อย่างหนึ่งก็คือว่ า, อากรณีที่บอกว่าอุปทานะเป็นอาการละเนีเป็นอาการปรากฏอาการปรากฏกับคำว่าผลนีผลปรากฏกับอาการปรากฏเท่า์างี้จะชัดหน่อยใช่ไหมผลปรากฏกับอาการปรากฏเนี่ยถ้าแปลอย่างเงี้ยมันชัดถ้าใช้บาลีเยอะ เช่นอุปปัฏฐานากาโรโอวาพรางวาปัจจุปฐานังนามะในอภิธรรมเดชะถ้าในชั้นของทีคณิกายดีกาเป็นต้นหรือในอภินวะนี่ยเนะในอภิธรรมอันนี้ขยายยาวเลยถ้าเราบอกสั้นๆอย่างเงี้ยวบอกว่ า, วาอาการปรากฏกับผลปรากฏนีชัดหน่อยใช่ไหทีนี้ยกตัวอย่างเช่นว่า อาการ